คำขอธันดศิ ก, กาสมมุติและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ทันดศิ ก, กาสมมุติอย่างนี้ภิกษุเป็นไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย แล้วนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ขาดสาแรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ผมขอทันดกศิ ก, กาสมมุติต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอ แม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ขาดสาหรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ผมขอธนศิ ก, กาสมมุติต่อสงฆ์ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ขาดสาหรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านขอธนศิ ก, กาสมมติต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ธนศิ ก, กาสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติ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 ให้ทันดะสิกาสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ทันดะสิกาสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงทันดะสิกาสมมติสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้ว สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้